พระธรรมเทศนาแผ่นที่109าลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าพญาทกิเลสอย่ามาชรชัยธรรมอา้าวพาลูกหลานั่งประจาที่มีอะไรหลงตาจะพูดอะไรให้ฟัง วันนี้เป็นวันพุธที่ 19, สิบเก้าเมษายนพุทธศักราชสอง0ห้าหกสบวันนี้เป็นวันแรมแปดข้าเป็นวันพระนะลูกหลานแล้วก็พระในวัดของเราขนาดนี้มีอยู่ห้าสิบห้ารูปสมณนเณรแปดนาคนาคสี่จะบวชนาควันนี้นะ จะมีบวชมีการบวชอีกวันนี้ตอนฉันจะหันเสร็จแล้วจะมีการบวชพระ <c oughs> บวชนาคให้เป็นพระ <c oughs> แล้วก็พระกำลังเข้ามาช่วยงานถ่าจะา่าช่วยงานกันเนี่ยนะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สบหกสวดมนลเย็นที่วัดของเรา เป็นวันเกิดของหลวงพ่อวันที่27ทำบุญตักบาตรจากนั้นก็แยกย้ายกันเก็บสิ่งของวันนี้เป็นวันที่19ก็แสดงว่ายังเหลืออยู่ไม่กี่วันเป็นวันเริ่มงานของพวกเราแต่ก็ทำแบบเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองหลวงพ่อบอกแล้วกล่าวอีก ว่างานนี้ไม่มีการนิมนต์พระสงฆ์แล้วก็ไม่ได้เชิญเชิญคณะศรัทธาญาติโยมทุกระดับเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะเป็นพระของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าถ้าว่าผู้ใดอยากจะเข้ามาร่วมงานของหลวงพ่อว่าเป็นเป็นวันเกิดกขอ้อขอเชิญขอนิมนมาในทางที่ดี ถามมาแล้วเกเลเกกลาละลานเรื่อมาในทางที่ไม่ดีอย่าเข้ามาเพราะหลวงพ่อไม่ปราถนาจะเป็นพระก็าตามจะเป็นโยมก็าตาม เ, าเข้ามาแบบไม่มีกฎไม่มีระเบียบมีแต่มาทำให้ยุง่งเหยิงวุ่นวายาให้ระวังให้ดีก็แล้วกันหลวงพ่อเนี่ยจะกำจัดออกเลยนะแต่ ก, กิเลสภายในใจหลวงพ่อองพ่อยังกำจัดออก กิเลสราคะโทสะโมหะจะมาใช้กิเลสร า, ราคะโทสะโมหะจุ่งเหยิงวุ่นวายในวัดของหลวงพอ่อเนี่ยหลวงพ่อจะมีวิธีกําจัดอยู่นะให้ระวังให้ดีก็แล้วกันจะเป็นผู้ใดใครก็ตามเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ภาวนาเป็นสถานที่บําเพ็ญคุณงามความดีไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันเร็วๆสิ่งที่มันชั่วไม่ควรจะนํามา อันนี้หลวงพ่อบอกกล่าวให้กับคณะสัทยา ญ, ญาจูไม่ใช่ว่าเปิดเป็นสาธารณะและก็รับทั้งขี่มูลาขี่ม้าแห้งนะต้องการรับเพชรนินจินดาเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีเป็นพระที่มีสัมมาคารวะมีหิริอดตะปะมีศีราจารวัรเป็นศัก์กระจุ่ สักกระยาบุตรที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะนั้นวันงานอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะได้พบได้เจออย่างที่ไปงานของคุณแม่ชีแก้วเสียงลัาพอสวดมนต์เสร็จมีพระกลุ่มหนึ่งออกไปดักศรัทธาญาติโยมอยู่ข้างนอกไปแผ่ไปขอ ไปขอเงินสร้างความรำคาญให้กับผู้คนผู้ที่ไม่รู้จักก็ใจอ่อนเห็นว่าพระก็ให้ถือว่ารับพระออกไปข้างนอกหารู้หารู้ไหมว่านั่นคือบางคนบางท่านก็เป็นนักเรงหัวไม้ก็มีเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินยัยพวกเราจงช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตา พราะนั้นงานนี้ก็เหมือนกันนะั่นให้ตำรวจตำรวจบ้านตำรวจอำเภอของเรานะให้เป็นหูเป็นตาเวลาพระแสดงอากัปกิริยาอย่างนั้นต้องเท่าไปถามเลยว่าท่านมีใบสุธีไหมมาจากวัดไหนเนี่ยไปไปลงพักซะก่อนท่านทําชีมันไม่ใช่ไม่ไม่ถูกตามกฎ ร, ระเบียบวินัยของพระนะ ท่านจะมาที่ออะไรมาขออย่างนี้ได้อย่างไรคนมาเขามาทำบุญนะท่านเป็นพระแท้จริงหรือเปล่ามาจากสังกัดไหนให้ถามนี่แหละให้ช่วยๆกันบอกนะไม่ต้องเกรงใจถ้าทำอย่างนั้นแปลว่าไม่ใช่เรื่องของพระถ้าเรื่องของพระแล้วก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบมีสัมมาคารวะมาที่นี่ถ้าไม่มีเงินจะมาทำไมมาเพื่ออะไรพอเราไม่ได้ร้องขอเราไม่ได้นิมนต์ มาก็ต้องพร้อมมาอยู่ในกฎระเบียบมันจึงจะถูกนะใ ห, ให้ฟังฟังเอาไว้นะคณะสทถทาญาตโยมลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะเวลาแข็งต้องแข็งนะเวลาอ่อนต้องอ่อนอ่อนในทางที่ถูกต้องที่เป็นธรรมต้องมีสัมมาคารวะออ น, นอน้อมผอมตนปอต่อผู้มีพระคุณต่อผู้มีคุณธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าที่ปฏิบัติในศีลในธรรม ในธรรมแล้วต้องพวกเราต้องอ่อนน้อมนะจะไปแข็งกระด้างแต่องค์ไหนดูดูแล้วมาอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยดูแล้วมันผิดออกนอกลูนอกทางพวกเราอย่าไปอ่อนน้อมนะต้องเข้าไปถามเ อ, อท่านทําอย่างงี้มันถูกไหมล่ะท่านมาจากไหนทํานตนอย่างไรนี่แหละอันนี้เปรียบ ว, ว่าเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาเราเป็นพุทธบริษัทสี่ เป็นพธบริษัทสิเป็นบริษัทของพระพุทธทเจ้าจะเป็นผู้อานวยการก็ตามเป็นผู้จัดการก็ตามถ้าทำผิดนะคนในบริษัทนั้นจะต้องยืนเคียงบา่าเคียงไหล่ผู้จัดการทำผิดจะแล้วทำตนไม่เหมาะสมจะแล้วทำตนอย่างนี้นะก็ดู ด, ดูแล้วก็ต้องชักไซระเลียงให้กมให้เก่าตามกฎแล้วก็ต้องปลดออกอาจากผู้จัดการ แล้วก็พูดจะเป็นผู้ใดก็าตามจะเป็นรองผู้จัดการก็ตามจะเป็นใครก็ตามถ้าทำไม่ถูกตามกฎกติกาของบริษัทเราต้องช่วยกันนี้ก็เหมือนกันพุทธบริษัททุกคนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสา ม, มเณรเป็นบริษัทเดียวกันถ้าว่าใครทำไม่ถูกในบริษัทนั้นพวกเราก็ต้องเดิน เ, นเข้าไปไปบอกไปไปกล่าว ท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะบริษัทนี้เขาไม่ให้ทำนะทำอย่างนี้พุทธบริษัทนี้เขาไม่ให้ทำอย่างนี้นะท่านนะถ้าท่านถ้าถ้ามาทำอย่างนี้เดี๋ยวนะต้องเรียกไปออกไปอยู่ในกฎระเบียบหนึ่งสกัก่อนเอาไปขังไวส้สัก่อนเลื อ, อาไปไต่สวนสอบสวนดูก่อนไอ่สิ่งเหล่านีนะ้เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทจะต้องกันกรองไตรตรองให้คนบริษัทของเรา เป็นเป็นผู้มีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีให้ฟังเอาไว้นะลูกหลานนะถ้าหลวงพ่อพูดเหมือนกับแข็งนะแต่หลวงพ่อพูดด้วยหลักเหตุผลเอาเหตุผลมาพูดจริงไหมหลวงพ่อขอถามผู้ที่ฟังทุกเราพวกเราท่านทั้งหลายจริงไหมหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดถูกจึงได้พูดออกไปให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาไม่ใช่ว่าอ่อนปวกเปียกไม่รู้จัก อะไรจะเลยกลายเป็นคนโง่เง่าเต่าตูนไปมันก็ไม่ถูกแต่ฉลาดแข็งก้าวเกินไปจนไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําอันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรู้จกักการเทศการสถานที่บุคคลมันจึงจะถูกนะแล้วก็วันนี้เป็นวันพระให้พวกเราท่านทั้งหลายเนอะถึงวันพระจะได้บอกไดกล่าวกันถึงวันพระแล้วก็ต่างคนต่างสมาทานศีลอย่างน้อยก็ให้มีศีลห้า ธรรมาก่อนนังสือศีลอุโบสถให้เตรียมตัวเตรียมใจรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนี่แหละผู้ที่มีสมัมมาคละมีศีลอย่างนี้แหละอันนั้นเป็นพุทธบริษัทแปลว่าเห็นจริงเห็นจงังเห็นโทษที่จะไม่มาเวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นแปลว่าเป็นพุทธบริษัทที่เห็นโทษเข้ามาข้างในแต่ ทบบริษัททั่วๆไปทำงานข้างนอกก็ออเออเอาก็ยังมีภาระธุระอยู่ก็ทำงานอีกในระดับนึ่งรักษาในระดับหนึ่งนี่แหละให้พวกเราทุกๆท่านนะทั้งฝ่ายพระสงฆ์นี่ไม่มีวันพระไม่มีวันโกนไม่มีวันโยมไม่มีวันเสวันอาทิตย์ เ, เป็นวันของพระทั้งหมดมพระเป็นผู้ซํำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยตั้งแต่วันบวช ตั้งแต่วันบวชมาแล้วพระสงฆ์สา ม, มเณรต้องอยู่ในสีรายจรวัิให้เข่งครัดตามหลักพระธรรมวิ น, นัยศึกษาถ้าที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวหมู่พกเพื่อนบอกกล่าวต้องหยุดอย่าไปใช้อารมณ์โมโหโทโสเพราะพุทธศาสนาบริษัทนี่ไม่ใช่บริษัทของเราคนเดียวบริษัทบริษัทซีถ้าหายธรตนให้เสียหาย มันก็เสียหายทั้งวัดศรัทธาญาติโยมไม่มาทําบุญศรัทธาญาติโยมไม่เชื่อถือศรัทธาญาติโยมไม่เคารพสักเคารพพระสงฆ์่ะเราจะอยู่ได้อย่างไรแปลว่าพังทั้งบริษัทเลยบริษัทนั้นพังเห็นไหมบริษัทเคยพังมาไม่รู้กี่บริษัทก็เพราะเหตุนี้ล่ะเพราะคนในบริษัทเนี่ยไม่เป็นผึกแผ่นอไม่สร้างสรรค์ไม่ ทำตนให้เป็นคนดีมีแต่คดมีแต่โกงเอารัดเอาเรียบกันผลที่สุดบริษัทก็อยู่ไม่ได้เท่าแก่ก็เจ้าของบริษัทเกิดทำอีกแบบหนึง่ง เ, เกเรเที่ยวเตรไม่รู้จักดูแลบริษัท ต, ตัวเองคนในบริษัทก็นั่นเห็นช่องทางามีคอรับชงขอรับชั่นในบริษัทอีกคดโกงในบริษัทอีกคดโกงมันมหนะีหลายโกงนะหลายโกงนะ โกงเวลาบ้างโกงหน้าที่การงานโกงมีอะไรต่อเมื่อไรมากมายคำว่าไม่ซื่อสัตย์จุดนี้นะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราแต่ละท่านเองนี้ก็เหมือนกันนะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระเนรลูกหลานทุกองค์นะหลวงพอมีแต่พูดมีแต่กล่าวพอหลวงพอมีอายุพรรษาผ่านการผ่านเวลามานาน คนนั้นหลวงพ่อมองหลายๆมุมมองหลายๆด้านสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราเป็นพระที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีเป็นคราว่าตญาณโยมที่มาเกี่ยวข้องกับเป็นคราว่าตญาณโยมที่มีน้ําใจมีเมตตาต่อกันนี่แหละสรุปแล้วก็คือให้มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีการอยู่ด้วยกันอยู่มากน้อยก็ร่มเย็นเป็นฉุกนั้นลูกหลานนะ ถ้าว่าอยู่ด้วยการมีแต่มัดแต่มวยมีแต่เรื่องอธรรมเนี่ยคืออธรรมคือความไม่ถูกต้องอยู่ด้วยการมากก็มีแต่เรื่องราวนั่นแหละมีแต่ความไม่ไว้ใจกันถ้าหากว่าคนที่มีธรรมมันไว้ใจกันได้นะไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ทำอะไรก็ทาตั้งใจทำทำด้วยความตั้งใจเสร็จแล้วก็นั้นะ มีอะไรก็พูดกันมีเมตตาต่อกันเฉลือเพื่อแผ่กันผักใครขาดเหลือขาดตกเรื่องอะไรบอกกล่าวกันนี่แหละอันนี้คือการอยู่ด้วยกันโดยธรรมต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ด้วยกันด้วยกิเลสมีแต่เรื่องหาเรื่องหาราวใส่กันหาความสงบสุขไม่ได้นะคณะสัตยายาตโยมและก็พร้อมกันนี่แหละอีกไม่กี่วันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพระ เนก็แบ่งกันควรจะทำอะไรแยกแบ่งส่วนกันถ้าว่าเราจะเป็นองค์ใดก็ตามกลุ่มใดก็ตามได้รับความไว้วางใจแล้ ว, วแบ่งแบ่งงานให้ทำก็ทำพยายามทำให้ดีที่สุดนะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันทำแบ่งงานให้ทำก็ทำให้ดีที่สุดถ้าองค์ไหนบอกแบ่งงานให้ทำแล้วทำไม่ได้ ก็ทําให้งานเสียหายอันนั้นน่าตําหนิในเมื่อตัวเองไม่มีความสามารถที่จะทําจุดนั้นได้ให้เขามาหามาหาคนมาหาคณะกลุ่มคณะว่าผมไม่สามารถที่จะทําจุดนี้ได้ขอให้องค์อื่นมาทําหน้าที่แทนผมผมขอไปทําหน้าที่จุดนั้นได้ไหมต้องบอกนะไม่ใช่ว่าหมัวมูโยนให้มาแลยก็สื่อบือรับไป ผลที่ทุดตัวเองก็ทําไม่ได้เสียหายพอเสียหายขึ้นมามันเสียวงเสียหมู่เสียคณ ะ, น, ะนั่นี้เองเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ทําหน้าที่จุดนั้นอมันทําให้บกพร่องอันนี้น่าตําหนินะถ้าเป็นถ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินนะอถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นให้บอกมานะบอกม า, อาบอกให้บอกหลวงพ่ออินเอหลวงพ่ออินมิตรเดินตามเหตุผลเท่านั้นนะไม่ได้นะท่านนะ ไม่ควรจะมาอยู่วัดนี่ไม่ควรจะเป็นลูกจิตหลวงพ่ออินอีกต่อตลอดไปไม่ควรจะมาเห็นหลวงพ่ออินทที่ใดก็ตามไม่ควรจะมาเข้าวิสาสะไม่ควรจะมาเข้าเกี่ยวข้องกับเรา เ, เราไม่ต้องการถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ท่านอย่างนี้พระอย่างนี้อหลวงพ่อจะพูดอย่างเด็ดขาดนะแต่พูดธรรมดาหลวงพอนะ่อใจดีใจอีนะหลวงพ่อนะอะแต่พอพุ่งเพื่องพูดเึ่งกฎระเบียบนะ ทำวินัยแล้วก่อ น, นั่นน่ะตรงไปตรงมาพอเราพอหลักธรรมวินัยเนี่ยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะลูกหลานนะเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านถือมาแล้วเราจะมาทำอร่อยแหละไม่ได้เราต้องถือตามโกฎนั้นดันั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมาช่วยงานคือมาช่วยงานไม่กี่วันมันก็เสร็จแล้วจะมาเที่ยวมาเตร่เฉยไม่ได้นะ มาทำความชั่วเสียหายอีกไม่ได้อีกตางหากถ้าองค์ใดก็ตามถ้าทํามาอยู่ที่วัดของหลวงพ่อแล้วทำตนไม่ดีให้บอกนะให้บอกหลวงพ่ออีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่จำเป็นต้องบอกหรอกพวกท่านทั้งหลายจงช่วยกันเป็นหูเป็นต า, ามีองค์ทำไม่เป็นท่ากันะเอาออกจากวัดซะ เ, เหมือนกับพญาโรคาของเราเนี่ยนะตรงไหนที่มันเป็นฝีเป็นหนองเป็นน้ำ มันตำเหมือนกัเอาออกออกจ้าจะให้อยู่ได้ยังไงถ้าอยู่ไปก็เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเป็นพิษเป็นภัยต่อวัดว า, าศาสนาเป็นพิษเป็นภัยต่อหมูต่อเพื่อนต่อวงการของพวกเราเนี่แหละให้ช่วยๆกันดูนะมันถ้าตามปกติมันมากมันก็ต้องมีนั่นแหละมันต้องมีแต่หวังถึงยังไงก็ตามถ้ามีไม่เสียหายก็อนุโลมไปหยวนหยวนกันไป ทำมันมีที่จะเป็นพิษเป็นภัยเสียหายให้ช่วยกันดูนะเนอะพระเนนเนอลูกหลานทุกคนเนอะแต่หลงวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแนวความคิดนะให้พวกเราที่มาอยู่ด้วยกันให้คิดนะอยู่แบบที่ไม่คิดไม่อ่านไม่ได้มันทาให้เสียหายได้ง่ายเมื่อเสียหายแล้วมันเสียหายใครล่ะเสียหายวัดวาศาสนาเสียหายมาถึงหลวงพ่ออินอีกต่างหากโอ้ย แหวดป่านาคําน้อยพอเข้าไปแล้วมีเตโลงหมัดโลงมวยแหม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอผลในสุดมันเสียถึงใครเสียถึงหลวงพ่ออินนะเพราะนั้นหลวงพ่ออินหลวงพ่อของพวกเราเนี่ยที่เป็นหัวหน้าเนี่ยหลวงพ่อจึงปรามไว้ก่อนอย่าทําอย่างนั้นนะลูกหลานเนาอถ้าทําขึ้นมาจะไม่ได้นะเดือดร้อนถึงหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะต้องกําจัดออกนะไม่ใช่กําจัดหลวงพ่อจะก่อนที่กําจัดหลวงพ่อก็เป็นประชาธิปไตยน่ะ ต้องถามดูซะก่อนถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมท่านที่กระทําอย่างนี้มันถูกไหมเธอทําอย่างนี้เจ้าทําอย่างนี้ท่านทําอย่างนี้ถูกไหมท่านไม่ถูกแล้วจะทำยังไงควรจะอยู่กับห ม, มู่ไหมเนี่ยหลวงพ่อก็จะถามนะอไม่ควรจะอยู่เอาถ้าไม่อยู่คุณออกไปประุูไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านทําตนไม่ดีทําตนไม่ถูกใช่ไหมนี่แหละหลวงพ่อจะเป็นประชาริตปไตยอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมนะไม่ใช่ว่าประเด็จการนะ เพราะว่าในธรรมวินัยไม่ใช่ธรรมวินัยของหลวงพ่อนะอย่างที่ว่านะเป็นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะพอนะันการอยู่ด้วยการธรรมัดระวังนะเน้อพระเนนลูกหลานทุกองค์นะเข้ามาอย่าได้มีเรื่องมีเล่าย้ำไปตั้งโรงหมดัดโรงมวยหลวงพ่อนะไม่ต้องการอย่างมากเลยตั้งแต่หลวงพ่อเป็นเนนมานะไม่เคยคําว่าชกต่อยตีกันนะนะกับผู้ใดใครก็ตามนะทะเลาะ ก, กันและเกิดเรื่องเกิดเล่าขึ้นมายังไม่เคยมีเลย เนี่ยหละหลวงพ่อระวังรักษาขนาดนั้นล่ะพอหลวงปู่ลาเนีท่านสอนนะอย่าไปทำไปตีเขานะ่าไปทาอะไรนะท้าวไปทำความชั่วไปตีไปต่ปตอยไปอะไรขึ้นมานะนในในะมันเป็นแผลในใจนะมันเป็นแผลอยู่ในใจมันคืด น, นึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เป็นไม่สบายใจถึงจะหยุดไปแล้วกว็าตามมันเป็นแผลเป็นทนวนะมันแผลเป็นแผลเป็นมองอยู่มันเห็นอยู่แผลเป็นอยู่ในตัวของเรานะ เพราะนั้นสิ่งที่มันชั่วอย่าทํานะนี่แหละคูบายจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างนั้นนะลูกหลานนะพระเด น, นะเพราะนั้นถ้าใครจะโมโหโกธาอย่างไงอย่าไปเอากําลังเข้าไปประหัตประหารนะเดินหนีดีกว่าอถ้าอยู่ถ้ามันอย่างกะเกะ ก, กะลาลานหนีไปอยู่วัดอื่นก็ได้เ ม, เมืองไทยอประเทศไทยมันไม่ใช่แคบเหมือนใบมะขามป้อมใบมะขามนะมันกว้างยิ่งกว่าอะไรเราไปหลบอยู่ที่ไหนก็ได้อไปอยู่ผาภาวนาที่ไหนก็ได้ ไม่จําเป็นจะต้องมาประหรัดประหารกันชกต่อยตีกันนะมันไม่ถูกมันเสียหลักธรรมเสียหลักธรรมที่ไหนเสียการปกครองของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เสียการปกครองของหลวงพ่อนะเสียการปกครองของพระพุทธเจ้านะถ้าพวกมาเห็นจะพาเนรชกต่อยตีกันเหมือนกับสนามมวยเนี่ยพวกศรัทธาญาติโยมเลยจะมาทําบุญน่เขาจะศรัทธาได้ยังไงใช่ไหมล่ะเขามาเห็นต่อต่อต่อต่อ ถ้าเปงี้กันเนาะเราไปจ้างดูตีมวยดีกว่าจะมาทำบุญกับวัดป่านาคาน้อยได้อย่างไงเขาก็จะไหวยอย่างนั้นไปอีกเนะเพราะนั้นเสียงเรานี้พวกพระเนลูกหลานนะต้องคิดนะลูกหลานนะไปอยู่นสถานที่ใดลูกหลานต้องคิดนะเราเป็นอยู่ด้วยศรัทธาของพี่น้องประชาชนถ้าเขาไม่มีศรัทธาแล้วนะพวกเราจะอยู่ได้อย่างไรเขาไม่ทำบุญเขาไม่ตักบาสนะ เราจะอยู่ไม่ได้นะถ้าว่าเขาทําบุญเออกูบาพระลูกพระหลานของเราเนี่ยถึงจะเป็นพระน้อยพระหนุ่มก็จริงอยู่แต่มีสัมมาคารวะนิสัยกิริยามารยาทดีถ้าว่าพวกเราทําบุญคงจะได้บุญได้กุศลกับพระลูกพาหลานเหล่านี้ต่อไปพวกเนี้ยลูกหลานเราเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ออจะดํารงทรงศาสนาต่อไปภายภาคหน้าดูกิริยามารยาททุกองค์ก็น่าเคารพนับถือเลื่อมใสนี่แหละ มันเป็นไปอย่างนั้นนะลูกหลานพระเนนนะอแต่ว่าพวกเราทําไม่ดีก็บยังว่านะเห็นบัดโอ้ตายเนะไม่น่าเคารพไปแล้วไปแล้วถ้าไปอีกนี่แหละไปครั้งเดียวเท่านั้นแหละไปวัดนะี่เไปเห็นแนละ้วกับกิริยาของพระเนนไม่น่าเลื่อมใสเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายนะ <c oughs> อยู่ในกรอบขอบศีลธรรม อยู่นสถานที่ใดอย่าไปกลัวอดกลัวอยากนะถ้าเราเป็นผู้อยู่ในศิลป์นนะพระธรรมศิลธรรมนะย่อมรักษาผู้ผู้รักษาผู้ปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าพวกเราเไม่มีศิลป์มีธรรมแล้วนะพระธรรมจะไม่รักษานะพระศิลธรรมนะรักษาพวกเราไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะเ <c oughs> พราะศิลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าใครรักษาปฏิบัติดีแล้วจัด ไม่ตกไปในที่ชั่วและจะไม่อดอยากอีกต่างหากนะท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะหลวงพ่อเองก็เชื่อมันอย่างนั้นเองนะลูกหลานพระเนรนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนัตนิน่รนะ